ปาจิตติยกันว่าด้วยอาบัติปาจิตตีที่ไม่ต้องสละสิ่งของโอวาทวักหรือโอวาทวักวักว่า ด, ด้วยการให้โอวาทเป็นวักที่สามมีสิบสิกขาบทคือสิกขาบทที่หนึ่งโอวาทวักในปาจิตติยกันห้ามสอนนางภิกษุณีเมื่อมิได้รับมอบหมายภิกษุฉับพะคี เห็นภิกษุอื่นๆสอนนางภิกษุณีแล้วได้ของถวายต่างๆอยากจะมีลาบบ้างจึงแจ้งความประสงค์แก่ น, นางภิกษุณีทั้งหลายเมื่อนางภิกษุณีไปสะดับโอวาทก็สอนเพียงเล็กน้อยแล้วชวนสนทนาเรื่องไร้สาระโดยมากพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุที่ไม่ได้รับสมมติจากสงสอนนางภิกษุณีต้องป่าจิตตี คำว่าไม่ได้รับสมมุติจากสงคือไม่ได้รับมอบหมายหรือไม่ได้รับแต่งตั้งจากสงฆ์ซึ่งสงในที่นี้หมายถึงภิกษุตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปนะครับภายหลังภิกษุฉัพพคีหาทางสมมุติกันเองในที่นอกสีมาซึ่งภิกษุกลุ่มนี้มีจำนวนหกรูปก็พอที่จะเป็นจำนวนของสงที่ต้องมีจำนวนเกินสี่รูปขึ้นไป และให้พวกเดียวกันเองแต่งตั้งกันเองโดยถือว่าได้สมมุติจากสงฆ์คือได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งจากสงฆ์แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับภิกษุที่จะสอนนางภิกษุณีถึง8ข้อโดยกำหนดให้มีพรรษาถึงยี่สิบหรือเกินกว่าเป็นข้อสุดท้ายสิกขาบทที่สอง โอวาทวักในปาจิตติยากันห้ามสอนนางภิกษุณีตั้งแต่อาทิตย์ตกแล้วพระจุลปันถกสอนนางภิกษุณีจนค่ำมนุษย์ทั้งหลายติดเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าเมื่ออาทิตย์ตกแล้วภิกษุสอนนางภิกษุณีต้องปาจิตตี สิกขาบทที่สามโอวาดวักในปาจิตติยกันห้ามไปสอนนางภิกษุณีถึงที่อยู่ภิกษุฉัพภคีเข้าไปสอนนางภิกษุณีถึงที่อยู่นางภิกษุณีทั้งหลายติดเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุไปสอนนางภิกษุณีถึงที่อยู่ต้องปาจิตตีภายหลังทรงผ่อนผันให เมื่อนางภิกษุณีเจ็บไข้สิกขาบทที่สโอวาดวักในปาจิตติยกันห้ามติดเตียนภิกษุอื่นว่าสอนางภิกษุณีเพราะเห็นแกลาภภิกษุชพคีกล่าวว่าพระเทระทั้งหลายสอนางภิกษุณีเพราะเห็นแกอามิ t ซึ่งอามิ t แปลว่าสิ่งของวัตถุเครื่องล่อใจมีเงินเป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุพูดว่าภิกษุทั้งหลายสอนนางภิกษุณีเพราะเห็นแก่อามิ t h ต้องปาจิตตีในที่นี้คือห้ามประจานกันเองแม้เห็นแก่อามิ t h จริงถ้าเที่ยวพูดไปก็ต้องอาบัตทุกกฏ สิกขาบทที่ห้าโอวาทวรักในปาจิตติยากันห้ามให้จีวรแก่นางภิกษุณีผู้มิใช่ญาติภิกษุรูปหนึ่งให้จีวรแก่นางภิกษุณีผู้มิใช่ญาติมีผู้ติเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุให้จีวรแก่นางภิกษุณีผู้มิใช่ญาติต้องปาจิตติ สิกขาบทที่หโอวาดวรกในปาจิตติยกันห้ามเย็บจีวรให้นางภิกษุณีผู้มีใช่ญาติพระอุทายีเย็บจีวรให้นางภิกษุณีมีผู้ติเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุเย็บเองหรือใช้ผู้อื่นให้เย็บจีวรเพื่อนางภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติต้องปาจิตติ สิกขาบทที่7โอวาดวรคในปาจิตติยากันห้ามเดินทางไกลร่วมกับนางภิกษุณีภิกษุสัพพคีชวนนางภิกษุณีเดินทางไกลร่วมกันมีผู้ตีเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุชวนนางภิกษุณีเดินทางไกลร่วมกันแม้ชั่วระยะบ้านหนึ่งต้องปาจิตตี ให้หลังทรงผ่อนผันให้เดินทางร่วมกันได้เมื่อทางนั้นมีภัยต้องไปเป็นคณะหมายเหตุสําหรับสิกขาบทนี้คำว่าสัทธคมนีโยซึ่งเป็นคําจากพระไตรปิฎกเล่มจริงแปลได้สองอย่างคือเป็นทางที่ต้องไปด้วยหมู่เกวียนซึ่งถือเอาความว่าต้องไปเป็นคณะอีกอย่างหนึ่งแปลว่าต้องไปด้วยสัตรา คือต้องมีสตราวุธิสิกขาบทที่แปโอวาทวักในปาจิตติยากันห้ามชวนนางภิกษุณีเดินทางเรือร่วมกันภิกษุชพักขีชวนนางภิกษุณีไปในเรือลำเดียวกันมีผู้ตีเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุชวนนางภิกษุณีลงเรือลำเดียวกัน ขึ้นหรือล่องต้องปาจิตตีภายหลังทรงผ่อนผันให้ข้ามฟากได้สิกขาบทที่9โอวาทวักในปาจิตติยากันห้ามฉันอาหารที่นางภิกษุณีไปแนะนำให้เขาถวายดางถุนละนันธาภิกษุณีเที่ยวไปสู่ตระกูลแนะนำให้เขาถวายอาหารแก่พระเทวทัตกับพวก มีผู้ติเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุรู้อยู่ฉันบินธบาต ท, ที่นางภิกษุณีแนะนำให้เขาถวายต้องปาจิตตีภายหลังทรงผ่อนผันให้ว่าถ้าเขารือหัดเขาเริ่มไว้เองก่อนฉันได้สิกขาบทที่สิบโอวาดวักในปาจิตติยกัน ห้ามนั่งในที่รับสองต่อสองกับนางภิกษุณีพระอุทายีนั่งในที่รับสองต่อสองกับนางภิกษุณีผู้เป็นอดีตภริยาของตนเสมอมีผู้ตีเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุนั่งในที่รับสองต่อสองกับภิกษุณีต้องปาจิตตี